ปาจิตติยกันว่าโดยอาบัติปาจิตตีที่ไม่ต้องสละสิ่งของสำหรับในเล่มนี้แสดงเฉพาะที่เป็นของนางภิกษุณีแท้ๆ96้สิหกสิขาบทส่วนอีกเจสิกขาบทนำของภิกษุมาใช้จึงรวมเป็น166สิกขาบทใน69สิกขาบทนี้แบ่งออกเป็นเกรวรกที่หนึ่งถึงวรที่เจมีวรกละสิบสิกขาบท วรที่8ดและที่9ว้าวละสิบสามสิขาบทสิขาบทที่หนึ่งละสุนวัตรปาจิตติยักันห้ามฉันกระเทียมอุบาสกผู้หนึ่งอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุณีสง์ขอกระเทียมได้พร้อมทั้งสั่งคนเฝ้าไร่ให้จัดถวายวันหนึ่งนางภิกษุณีหลายรูปไปขอกระเทียมเผอิญกระเทียมที่บ้านหมด เขาจึงให้ไปเก็บเองเอาที่ไร่นางทูนละนันธาภิกษุณีไม่รู้จักประมาณใช่คนเก็บไปซะมากมายคนเฝ้าไร่ตดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีที่ฉันกระเทียมสำหรับข้อนี้คงเพื่อป้องกันไม่ให้เที่ยวขอกระเทียมชาวบ้านอีกสิกขาบทที่สอง ลาสุนวักปาจิตติยากันห้ามนำขนในที่แคบออกนางภิกษุณีไปอาบน้ำเปลยกายในท่าน้ำอันเดียวกับหญิงแพทยาหรือโสเพนีถูกพวกหญิงแพทยายกโทษติเตียนว่านำขนในที่แคบออกเหมือนเข้ารือหัดผู้บริโภคกามพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณี ที่ให้นําขนในที่แคบออกสำหรับคำว่าที่แคบในที่นี้หมายถึงรักแร้ทั้งสองและองค์กำเนิดหรืออวัยวะเพศสิกขาบทที่สามละสุนวัตปาจิติยักันห้ามใช้ฝ่ามือตบกันด้วยความกำหนัดนางภิกษุณีสองรูปเกิดความกำหนัดจึงเข้าห้อง ใช้ฝ่ามือตบตามเนื้อตัวของกันและกันพระภูมีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นมีคำอธิบายท้ายสิกขาบทว่าเมื่อกำหนดยินดีสัมผัสแม้ใช้ใบบัวตีที่องค์กำเนิดต้องปาจิตตีเช่นกัน สิกขาบทที่สี่ลาสุนวัตปาจิตติยากันห้ามใช้สิ่งที่ทำด้วยย่างไม้นางพิสุนีมีความกำหนัดใช้สิ่งที่ทำด้วยย่างไม้ใส่ในองค์กำเนิดพระผูมีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางพิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสำหรับคำว่าย่างไม้ในที่นี้กินความถึงไม้แป้งดินเหนียว โดยที่สุดแม้ใบบัวคำอธิบายท้ายสิกขาบทสิกขาบทที่ห้าละสูตรนวักปาจิตติยากันห้ามชำระลึกเกินสองข้อนิ้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้นางภิกษุณีใช้น้ำชำระได้เมื่อปัสวะภิกษุณีบางรูปใช้น้ำชำระลึกเกินไปทำให้เป็นแผลจึงทรงบัญญัติสิกขาบท หรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ใช้น้ำชำระลึกเกินสองข้อนิ้วสำหรับข้อนี้มีคำอธิบายท้ายสิกขาบทว่าเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความกำหนัดสิกขาบทที่หลาสุนวักปาจิตตยากันห้ามเข้าไปยืนถือน้ำและพัดในขณะที่ภิกษุกำลังฉันมหาอมาตผู้หนึ่งออกบวช ภริยาก็ออกบวชเป็นนางภิกษุณีด้วยเวลาฉันนางภิกษุณีที่เคยเป็นภริยามายืนถือภาชนะน้ำดื่มและถือพัดปฏิบัติอยู่ภิกษุที่เคยเป็นสามีเห็นไม่เหมาะจึงห้ามปรามนางโกรธจึงเอาภาชนะน้ำคว่าลงไปบนศีรษะและเอาพัดตีภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้เข้าไปยืนถือภาชนะน้ำและพัดเมื่อภิกษุกำลังฉันสิกขาบทที่เจลาสุนวัตปาจิตยิกกันห้ามทำการหลายอย่างกับข้าวเปลือกดิบนางภิกษุณีไปขอข้าวเปลือกดิบได้มาแต่ถูกแย่งชิงที่ประตูเมืองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ขอเองใช้ให้ขอฝัดเองใช้ให้ฝัดตาเองใช้ให้ตาซึ่งข้าวเปลือกดิบหุงต้มเองใช้ให้หุงต้มฉันข้าวนั้นหมายเหตุ hate, คือฉันข้าวที่ตนทำหรือใช้ให้ทาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับข้าวเปลือกดิบนั้นต้องอาบัต สิกขาบทที่8ปดลาสุนวัคปาจิตติยกันห้ามทิ้งของนอกฝานอกกำแพงนางภิกษุณีถ่ายอุจจาระใส่ภาชนะเทลงไปนอกฝาตกใส่ศีรษะของพรามคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีที่ทิ้งหรือใช้ให้ทิ้งอุจจาระปัสสาวะขยะ หรือของที่เป็นเดนนอกฝาหรือนอกกำแพงสิกขาบทที่9้าละสุนวักปาจิตติยากันห้ามทิ้งของเช่นนั้นลงบนของเขียวสดนางภิกษุณีทิ้งอุจจาระเป็นต้นลงในนาของพรามผู้หนึ่งพรามติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีที่ทิ้งหรือใช้ให้ทิ้งอุจจาระปั ส, สวะหรือของที่เป็นเดนในของเขียวสดสิกขาบทที่สิบลาสุนวั์ปาจิตติยักันห้ามไปดูฟ้อนรำขับร้องมีงานมหรสพบนยอดเขากรุงราชครืนางภิกษุณีไปดูมีผู้ติเตียน